ปจณิก บ, บุคคลจกคักขุนตรียมูลกนัยสามยแปิอนุโลมปุจชาจากักขุนตรีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดโสตินตรีขขงบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัตชนะบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้กำลังุบัติจกักขุนตรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิด แต่โสตินตีไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวโการภูมิปัชิมภวิกับุคคลในอรู ป, ปรภูมิและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในอรู ป, ปรภูมิและปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังจุติจากขุนศีกับบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดไดโสตินรีก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิโดมปุชชา สตินรีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจากขุณสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมพิจัชนาปัดฉิมภวิกบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลเราใดจากอุบัติในรูปภูมิแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังอุบัติโสตินรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จากขุณสีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิ ปัดชิมภระวิกาบุคคลในรูปประภูมิได้บุคคลใดจักอุบัติในรูปประภูมิแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังจุติโสตินีของบุคค ล, ลนั้นไม่ใช่จะเกิดและจกักขุนสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุนสีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดคานินทรียของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะ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 จากคุณสี่งบคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและคานินสี่ก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโดมปุจฉาคานินสี่ขบคลใดไม่ใช่จะเกิดจากคุณสี่งบคนนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมพิจัดชนาะปชิมพวิกรบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิแต่บุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปาวจรภูมิอรูปอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพาน บุคคลเหล่านั้นกําลังอุบัติคานินทรีย์ก็บุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จะขุณสีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิปัจฉิมภวิการบุคคลในอรูปภูมิและบุคคลเหล่าใดจกอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังจติ ทานินทรีย์กรรมบุคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและจักขุนรีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุนสีกรรมบุคลใดไม่ใช่กําลังเกิดอิทธินรีกรรมบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้กําลังอุบัติจักขุนสีกรรมบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่อิทธินสีไม่ใช่จักไม่เกิด บุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิปัดฉิมภวิกะบุคคลในอรูปภูมิบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปปาวจรภูมิและอรูปราวจรภูมิแล้วปรินิพานและบุคคลเหล่าใดมีปุริสาเกิดได้ถือปฏิทนที่ในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังจติจากขุนตีกองบุคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิด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 บุคคลเราได้จากอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานละบุคคลเราได้มีปุริสาเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังจุติอิทธิสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและจากคุณสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉา จักรุณีกรรมบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดปุริสินีกรรมบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมพิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีจักรคู่เกิดไม่ได้กําลังอุบัติจกักขุนณีกรรมบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ปุริสินีไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิปัจฉิมภวิกาบุคคลในรู ป, ปภูมิ บุคคลเราได้จากอุบัติในรูปปาวจรภูมิและอรูปราวจรภูมิแล้วปรินิพานบุคคลเราได้มีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังจุติจากขุนสีกับบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและปุริสินศีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิรมปุชา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 บุคค ล, ลนั้นกําลังอุบัติปุริสินซีของบุคค ล, ลนั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จะกขุนสีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิปัดชิมภวิกะบุคคลในรู ป, ปรภูมิบุคคลเใดจากอุบัติในรู ป, ปาวจรภูมิและอรู ป, ปาวจรภูมิแล้วปรินิพานและบุคคลเใดมีอีทธิเกิดได้ถือปฏิตนที่ในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพาน บุคคลเหล่านั้นกําลังจุติปุริสินีเขาบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและจากขุนศีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาจากขุนศีเขาบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดชีวิตินทรียเขาบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมพิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีจากกูเกิดไม่ได้กําลังอุบัติจากขุนศีเขาบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่จากไม่เกิด บุคคลผู้กําลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิและปัจฉิมภวิกาบุคคลในรูปภูมิจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุชชาชีวิตินทร์ศีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิตตนะิชนาปัจฉิมภวิกาบุคคลผู้กําลังอุนนงบัติในปัญจโวการภูม Model, ิ ชีวิตินทรียีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จักขุนศีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโภการภูมิและปัจฉิมภวิกาบุคคลในอรูปภูมิชีวิตินทร์สีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและจักขุนศีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุนศีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดโสมนัสตินทร์สีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหม พิจารณาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้กําลังอุบัติจกักขุนตีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่โสมนัสสินตีไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิปัดฉิมภวิกับุคคลในอรู ป, ปรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีจิตเป็นอุเบขาจักอุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังจุติ จากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและโสมานัตสินรีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโดมปุชชาโสมานัตสินศีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะปัจชิมภวิกรบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลใดผู้มีจากขุเกิดได้และมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติแล้วปรินิพาน บุคคลเหล่าน exactly huh. exactly ั้นกำลังอุบัติโสมนสติบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จากขุนติไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิปัดฉิมภวิกะบุคคลในรูปภูมิและบุคคลเหล่าใดมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังจุติโสมนสติบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและจากขุนติก็ไม่ใช่กำลังเกิด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 ปัดชิมภรวิกาบุคคลแนวรูปประภูมิและบุคคลเหล่าใดมีจิตเป็นโสมณัตจากอุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังจุติจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและอุเปกินศีก็ไม่ใช่จากเกิดปฏิโดมปุชชาอุเปกินศีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจากขุนสีของบุคลกก ค, บคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิตนะัชชา ปัดจิมพาวิกาบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลเหล่าใดมีจกักรูเกิดได้มีจิตเป็นโสมนัตจากอุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังอุบัติอุเปกินรีกับบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จกักรุนสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิปัจจิมภวิกาบุคคลในรูปภูมิ และบุคคลเหล่าใดมีจิตเป็นโสมนัสจากุบัตดแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังจุติอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและจากขุนตีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุชชาจากขุนตีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดสัตทินรียของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีจากุภูเกิดไม่ได้กำลังอุบัติ จักขุนสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สัตทินสีไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิแต่ปัดฉิมพวิกาบุคคลแนวรูปภูมิจักขุนสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สัตทินสีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโรมปุชฌาสัตทินสีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจักขุนตีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กาลังเกิดใช่ไหม วิจัชนาปัดฉิมภวิกะบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจวโวการภูมิสัตทินรียของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จะขคุณสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิและปัจฉิมภวิกะบุคคลในรูปรภูมิสัตทินรียของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและจากขุณสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉา จักขุณีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดปัญญิีสีละมณีสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัตชนาะบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีจกักรูเกิดไม่ได้กําลังอุบัติจกักขุนณีของบุคคล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่มณีรีไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพพานในปัญจโการาภูมิและปัจฉิมภาวิกาบุคคลในรู ป, ปภูมิ จากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดใช่มนินรียก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุชฌามนินทรีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะปัดชิมพรวิกรบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิมนินทรียของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จากขุนศีไม่ใช่ไม่กําลังเกิด บุคคลผู้ปรินิพพานในปัญจโวการะูมิและปัจฉิมภวิกาบุคคลในรูปประพูมิมนินทรียของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและจะขุนสีก็ไม่ใช่กําลังเกิดจะขุนตริยมูลกนัยจบคานินทริยมูลกนัย386อนุโลมปุชชาคานินรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิด อิทถินรีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิตัชนาะบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติคานินรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่อิทถิรีไม่ใช่จกไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิปัจชิมพวิกาบุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ บุคคลเราใดจากอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานและบุคคลเราใดมีปุริตาเกิดได้ถือปฏิสนที่ในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังจุติคานินสีกับบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและอิทถินสีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจ ช, ชา อิตินสีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะปัจชิมภวิกบุคคลผู้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิบุคคลเราใดจากอุบัติในรูปปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานและบุคคลเราใดมีปุริสาเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังอุบัติ อิทธิสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่คานินทรียไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวการะพูมิปัดชิมพวิกะบุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิบุคคลเหาใดจากอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานบุคคลเหล่าใดมีปุริจ่าเกิดได้ถือเปจิสนทีในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพาน บุคคลเหล่านั้นกําลังจุติอิทธินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและคานินทรีย์ก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาคานินทรียของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิตัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ปุริสินสี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 คาณินรียของบุคคลานั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ปุริสินรีนยก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุชชาปุริสินรียของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดคาณินทรียของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจารนาะปัดชิมภวิกะบุคคลผู้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิบุคคลเราใดจะเกิดในรูปปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพาน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 แบุคคลเใดจักอุบัติในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานบุคคลเใดมีอิทธิเกิดได้ถือไปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานบุคคลเนั้นกำลังจุติปุริสินซีของบุคคลเนั้นไม่ใช่จะเกิดและคาณินทซีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉา คานินทรีกับบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดชีวิตินทรีย์กับบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชณาบุคคลทั้งหมดผู้กํำลังจุดติบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติคานินทรีกับบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ชีวิตินทรียไม่ใช่จกไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในกามาวจรภูมิและปัจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ คาณินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและชีวิตินสีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโรมปุจฉาชีวิตินสีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดคานินสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิตัชนาปัจจิมภวิกรบุคคลผู้กําลังอุบัติในการมาวจรภูมิชีวิตินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่คาณินสีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในการมาวจรภูมิ และปัดชิมพวิการบุคคลในรูปราวจรภูมิอรูปปาวจรภูมิชีวิตินทร์สีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและคานินทรีสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุชชาคาณินทรีสีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดโสมนัสสินทรีส์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจาชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีคาณาเกิดไม่ได้กำลังอุบัต คานินรีขกงบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่โสมนณตินรียไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในกามาวจรภูมิปัจฉิมภาวิกะบุคคลในปรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและบุคคลเหใดมีจิตเป็นอุเบขาจากอุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังจุติคานินทรีย์กงบุคลบคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและโสมนัณสินรียก็ไม่ใช่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 แต่คานินทรียไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในกามาวจรภูมิปัจชิมพวิกาบุคคลในรู ป, ปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิแต่บุคคลเหล่านีมีจิตเป็นอุเบกขาจาักอุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังจุดติโสมนาสินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและคานินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉา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 ปัดจิมพวิกาบุคคลในรูปปาวจรภูมิอรูปปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีจิตเป็นโสมนัตจักุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังจุติคานินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและอุเปกินสีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉาอุเปกินสีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดคานินสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจาชนาะ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 อรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีจิตเป็นโสมนัตจากอุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังจุติอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและคาณินทรียก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาคานินรียของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดสัตทินรียละปัญญินรียละมานินรียของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมพิจาชนาะ บุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติคานินรียของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่มนินทรียไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในกามาวจรภูมิและปัดฉิมภวิกาบุคคลในรูปปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิคานินทรียของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและมนินทรียก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโดมปุจชา มนินทรียีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดคานินทรียีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัดชิมภวิกาบุคคลผู้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิมนินทรียีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่คาลินทรียีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในกามาวจรภูมิและปัดชิมภวิกะบุคคลในรูปาวจรภูมิอารูปาวจรภูมิมนินทรียีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิด และคานินทรีย์ก็ไม่ใช่กําลังเกิดคานินทริยมูลกานายัยจบอิทธินธรียมูลกนัย387อนุโลมปุชชาอิทินทรี ย, าายรชช์ของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดปุริสินรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีอิทธิ์เกิดไม่ได้กําลังอุบัติอิทธินรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิด แต่ปุริสินตีมิใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในการมาวาจรภูมิปัดชิมภวิกับุคคลในรูปปาวาจรภูมิอรูปาวาจรภูมิได้บุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปปาวาจรภูมิอรูปาวาจรภูมิแล้วปรินิพานบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้ถือไปติตนที่ในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังจุติ อิตินรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและปุริีตินสีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโดมปุชชาบุรีตินสีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดอิตินรีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมพิจาชนาปัดชิมภวิกาบุคคลผู้มีอิทติเกิดได้กําลังอุบัติบุคคลเหล่าใดมีอิติเกิดได้จากอุบัติในรูปราวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้ปวลปรินิพพาน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 อรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังจุติปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและอิทธิสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุชชาอิทธิสีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดชีวิตรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะ บุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุตติบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กําลังอุบัติอิทธินสัของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ชีวิตินทรียไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในการมาวจรภูมิและปัดฉิมภรวิกะบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิอิทธินิสัยของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุชชา ชีวิตินทรียของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดอิทธินทรีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจตชนาปัจฉิมภวิกาบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติชีวิตินทรียของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่อิทธินทรีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในกามาวจรภูมิและปัจฉิมภวิกาบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิ วิตินทรียกับบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและอิจตินทรีย์ก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาอิจตินทรีย์กับบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดโสมณตินทรีย์กับบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กําลังอุบัติอิจตินรียกับบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่โสมนณตินรียไม่ใช่จกไม่เกิด บุคคลผู้กําลังปรินิพานในกามาวจรภูมิปัจฉิมภวิกาบุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีจิตเป็นอุเบกขาจักุบัตแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังจุติอิทธิสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและโสมนัสสีย์ก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโดมปุชชาโสมนัสสีย์ของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิด อิทธินีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมพิจชนาะปัชิมพาวิกับุคคลผู้มีอิทธิ์เกิดได้กําลังอุบัติและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้ล แ, ลลไดดไดและมีจิตเป็นเวขาจากอุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังอุบัติโสมนณสินทีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่อิทธิินรียไม่ใช่ไม่กําลังเกิด บุคคลผู้กําลังปรินิพานในกามาวจรภูมิและปัจฉิมภรวิกรบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิบุคคลล่ใดมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติแล้วปรินิพานบุคคลล่นั้นกําลังจุติโสมนณสินทรียของบุคคลนั้นไม่ใช่จะเกิดและอิทธิินรียก็ไม่ใช่กําลังเกิดวิจัดชนาะบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กําลังอุบัติ อิตินตีข อ, อของบุคคลเลานั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่อุเปกินตีไม่ใช่จกไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในกามาวจรภูมิปัจฉิมภวิกาบุ <pper lad dinosaurs. S 2> ะคคลในรูปปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและบุคคลใดมีจิตเป็นโสมนัตจากอุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเลนั้นกําลังจุติอิถินตีของบุคคลลนั้นไม่ใช่กําลังเกิดและอุเปกขินตีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจชา อุเปกินสีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดอิตินรียของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะปัจชิมภวิกาบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติแด้บุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้ได้มีจิตเป็นโสมนัสจากอุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังอุบัติอุเปกขินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่อิตินรียไม่ใช่ไม่กําลังเกิด บุคคลผู้กําลังปรินิพานในกามาวจรภูมิปัดฉิมภวิกาบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีจิตเป็นโสมนัตจักุบัตแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังจุติอุเปกินสของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและอิตินรียก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุชชาอิตินรีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิด สัถินรีละปัญญินรีละมณินรีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจาชนาะบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กำลังอุบัติอิทธินรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มณินรีไม่ใช่จากไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในการมาวจรภูมิและปัจฉิมพระวิการบุคคลในรูปปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ อิทธินรีกบุคคลล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและมนินทรียก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโดมปุชชามนินทรีกบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดอิทธินทรียกบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาปัจฉิมภวิกาบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติมนินทรียกบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่อิทธินรียไม่ใช่ไม่กําลังเกิด บุคคลผู้กําลังปรินิพานในกามาวจรภูมิและปัจฉิมภวิกาบุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิมนินทรีของบุคค ล, ลานั้นไม่ใช่จะเกิดและอิทธินทรียก็ไม่ใช่กําลังเกิดอิทถินตรียมูลกไนัยจบปุริสินทรีมูลกไนันย388อนุโลมปุชชาปุริสินรียของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิด ชีวิตินทรีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนะบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีปุริรสะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติปุริสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ชีวิตินทรียีไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิและปัจฉิมภาวิกะบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิ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 บุคคลผู้กําลังปรินิพพานในการมาบจรภูมิได้ปัจฉิมภวิกรบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ปุริสินทร์สีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุชชาปุริสินทร์สีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดสมนัณสินทร์สีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัตชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติ บุคคลผู้มีปุริสาเกิดไม่ได้กำลังอุบัติปุริสินตีกับบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่โสมนัสสินตีไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในกามาวจรภูมิปัจฉิมพวิกาบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีจิตเป็นอเวขาจากอุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังจติ บ, บุรีสินร์ของบุคคลเนั้นไม่ใช่กำลังเกิดและโสมนัสสินตีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโดมปุชชาโสมนัสสินตีของบุคลใดไม่ใช่จะเกิดปุริสินทตีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมพิจาชนาปัดฉิมภวิกาบุคคลผู้มีปุริจะเกิดได้กำลังอุบัติบุคคลเใดมีปุริจะเกิดได้และมีจิตเป็นอุเบคขาจากอุบัติแล้วปรินิ พ, พานบุคคลเนั้นกำลังอุบัติ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 โสมนัสสินรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและปุริสินตีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาปุริสินตีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดอุปเปกินทรียของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีปุริสาเกิดไม่ได้กําลังอุบัตปุริสินตีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่อุปเปกินรีนยไม่ใช่จกไม่เกิด บุคคลผู้กําลังปรินิพานในกา마วจรภูมิปัดฉิมภวิกาบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีจิตเป็นโสมนัตจักุบัตแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังจุติปุริสินสียของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและอุเปกินรีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุชชาอุเปกินรีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิด ปุริสินตีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจจิมภวิกะบุคคลผู้มีปุริสาเกิดได้กําลังอุบัติแต่บุคคลเหล่าใดมีปุริสาเกิดได้ได้มีจิตเป็นโสมนัสจากอุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังอุบัติอุเปกินตีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ปุริสินตีมิใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในกามาวจรภูมิ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 บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจารณาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุตติบุคคลผู้มีปุริสาเกิดไม่ได้กําลังอุบัติปุริสินตีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่มรินทรียไม่ใช่ไม่จักไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิและปัดฉิมภาวิกาบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิ ปุริสินตีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและมนิณีตีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโดมปุจฉามนิณ no ีต ah. ีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดปุริสินรียของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจาชนาปัจฉิมภวิกรบุคคลผู้มีปุริสาเกิดได้กําลังอุบัติมนิณีตีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ปุริสินรียไม่ใช่ไม่กําลังเกิด บุคคลผู้กําลังปรินิพานในกามาวจรภูมิและปัตถิมภวิกาบุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิมนินทร์สีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและปุริสินทร์สีก็ไม่ใช่กําลังเกิดปุริสินทรียมูลกานายัยจบชีวิตินทรีย์มูลกานายัย389อนุโลมปุชชา ชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดโสมณัสินทรียีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติในพังคฆะขณะแห่งจิตในประวัติการชีวิตินทรียีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่โสมณัตินทร์สีไม่ใช่จกไม่เกิดในพังคฆะขณะแห่งปัจฉิมจิตปัจฉิมจิตที่แสนปยุทธ์ด้วยอุเบกขาจะเกิดในลำดับแห่งจิตใด ในพังค์ขาคณาแห่งจิตนั้นชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและโสมนัสสินทรีย์ก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโรมปุชชาโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะในอุปาทขณาแห่งปัจฉิ ม, มจิตปัจฉิ ม, มจิตที่สัมปยุทธ ด, ด้วยเบขาจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขณาแห่งจิตนั้น โสมสตินทรียของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ชีวิตินทรียไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขณาแห่งปัจฉิมจิตปัจฉิมจิตที่สัมยุญ ด, ด้วยเวขาจะเกิดในลำดับแห่งจิตใ ด, ดในพังค์ฆาณะแห่งจิตนั้นโสมนณตินทรียของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิด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 ได้อุเปกขินสีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉาอุเปกขินสีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดชีวิตินทรีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขศนาแห่งปัฏิมจิตปัจฏิมจิตที่สัมปยุตได้วยโสมนัสจะเกิดในลําดับแห่งจิตใดในอุปาทขศนาแห่งจิตนั้นอุเปกขินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ชีวิตินทรีไม่ใช่ไม่กําลังเกิด ในพังค์ฆาขณาแห่งปฏิมจิตปัติมจิธธมตจที่สัมปยุทธด้วยโสมนัสจะเกิดในลำดับแห่งจิตใ ด, ดในพังค์ฆาขณะแห่งจิตนั้นอุเปกินรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุชชาชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดสัตินรียละปัญญินรียละมนินทรียของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมพิจาชนาะ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 ในอุปาทัศนาแห่งปัจฉิมจิตมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่ไม่กําลังเกิดในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่กําลังเกิดชีวิตินตรียมูลกนัยจบโสมนัสตินตรียมูลกนัย390อนุโลมปุตชา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 ในพันฆาขนาแห่งปัจฉิมจิตที่สัมปยุต ด, ด้วยโสมนัสบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิตที่สัมปยุต ด, ด้วยอุเบขาปัจฉิมจิตที่สัมปยุต ด, ด้วยโสมนัสจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในพันฆาขณาแห่งจิตนั้นโสมนัสจินซีกับบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและอุเปกินซก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจชา อุเปกินสีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดโสมานต์สินสของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในอุปาทขศนาแห่งปัจฉิมจิตที่สัมปยุตได้วยโสมานั์ปัจฉิมจิตที่สัมปยุตได้วยโสมานั์จะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขศนาแห่งจิตนั้นอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่โสมานต์สินสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังค์ทัศนแห่งปัจฉิมจิตที่สัมปยุตได้วยโสมานต์ บุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิตจที่สัมปยุทธด้วยอุเบกขาปัจฉิมจิตจที่สัมปยุทธด้วยโสมนัสจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในพังค์ขณะแห่งจิตนั้นอุเปกขินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและโสมนัสสินรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาโสมนัสสินรีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดสตินสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิตัชนาะ ในพังคาณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาฆขณาแห่งจิตที่วิปยุตจากโสมนัตบุคคลผู้เข้าในรสสมาบัติได้บุคคลผู้บัติอยู่ในอาศันยศตธธภูมิโสมนัต ส, สินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สทินสีไม่ใช่จากไม่เกิดในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตที่สัมปยุต์ ด, ด้วยโสมนัตบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตที่สัมปยุต์ ด, ด้วยเวกขา โสมนัสสินรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสัตตินรียก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุชชาสัตตินรียของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดโสมนัสสินรียของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขคณะแห่งปัฏิมจิตที่สัมยุตได้วยโสมนัสสัตตินรียของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่โสมนัสสินรียไม่ใช่ไม่กำลังเกิด ในพังค์ฆาณาแห่งปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยโสมนัสบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยอุเบกขาสัตตินรีกับบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและโสมนัสสินรีนยก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาโสมนัสสินรีกับบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดปัญญินรีและมณินรีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะ ในปังค์ขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณาแห่งจิตที่วิปยุตจากโสมนัสบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัตและบุคคลผู้บัตอยู่ในอสัญญาสัตต ภ, ภูมิโสมนัสสินตีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มนินทร์สีไม่ใช่จักไม่เกิดในปังคขคณะแห่งปัจฉิมจิตจที่สัมปยุตด้วยโสมนัสบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิตจที่สัมปยุตด้วยอุเบกขา โสมณัตสินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมนินทรีย์ก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโดมปุจชามนินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดโสมนัตสินรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมพิจัดชนาในอุปาทัศนาแห่งปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธได้โสมณัตมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่โสมนัตสินทรียไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคัศนาแห่งปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธได้โสมณัต บุคคลผู้พร้อมเพลียงได้ปัจจิมจิตที่สัมบุญด้วยเวขามนณีศีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและโสมนณตินรียก็ไม่ใช่กำลังเกิดโสมนณสินตรียมูลกนัยจบอุเปกินตรีมูลกนัยสามร้อก้าสิบอนุโลมปุชชาอุเปกินรีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดัจทินรีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจตันาะ ในพังคาขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขนาดแห่งจิตที่วิปยุตจากอุเบขาบุคคลผู้เข้าในโรดสมาบัตดและบุคคลผู้บัดอยู่ในอสญญศัญยศต ภ, ภ, ภูมิอุเบคินรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ตัดทินรียไม่ใช่จักไม่เกิดในพังคาขณะแห่งจิตปัจฉิมจิตที่สัมปยุตด้วยอุเบขาบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิตที่สัมปยุตด้วยโสมานัต อุเบกขินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสัตทินรียก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉาสัตทินรียของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดอุเบกขินสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในอุปาทัศนาแห่งปัจฉิมจิตที่สัมประยุทธ์ด้วยอุเบกขาสัตทินรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่อุเบกขินสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิด ในพันฆาขนาดแห่งปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยอุเบกขาบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยโสมนัสสัตทินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและอุเปกินสีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุรมปุชชาอุเปกินสีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดปัญินรีและมณินสีของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาในพันฆาขนาดแห่งจิตของบุคคลทั้งหมด ในอุปาทันาแห่งจิต ท, ที่วิปยุตจากอุเบกขาบุคคลผู้เข้าหนีโรดจะมาบัติแต่บุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิอุเปกขินรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มนินทรียไม่ใช่จักไม่เกิดในพังคขัต刹แห่งปัจฉิมจิต ท, ที่สัมปยุต ด, ด้วยเวขาบุคคลผู้พร้อมเพลิงด้วยปัจฉิมจิต ท, ที่สัมปยุต ด, ด้วยโสมนัส อุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมนินรียก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโดมปุจชามนินทรียของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดอุเปกขินสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิัชรณ์ในอุปาถ้าขณะแห่งปฏิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยอุเบกขามานินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่อุเปกขินสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิด ในพังคขณะแห่งปัจจิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยอุเบกขาบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจจิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยโสมนัสมนินทรียของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและอุเปกินทรีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอุเปกินตริยมูลกานายัยจบสัตตินตรียมูลกานายัยสามอยเก้อนุโลมปุชชาสัตตินทรีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิด ปัญญินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมพิจัชนาะในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขนาแห่งจิตที่วิปยุทธจากศรัทธาบุคคลผู้เข้าเนีโรดจมาบัตดและบุคคลผู้บัดอยู่ในอาศัญญาจตผูมิสัตทินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ปัญญินทรีย์ไม่ใช่จักไม่เกิดในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิต สัตทินรียของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและปัญญินรียก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุชชาปัญญินรีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดสัตทินรียของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในอุปาทขศนาแห่งปัจฉิมจิตปัญญินรียของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่สัตทินรียไม่ใช่ไม่กําลังเกิดในพังค์ขณะแห่งปัจฉิมจิตปัญญินรียของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิด แต่สัตทินทรียก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาสัตทินรียของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดมานินทรียของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะในพันทัศนาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทัศนาแห่งจิตที่วิปยุตจากศรัทธาบุคคลผู้เข้านิโรธจมาบัตดแต่บุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญาสัตต ภ, ภูมิสัตทินสียของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิด แต่มณินตียไม่ใช่จักไม่เกิดในปังคขณะแห่งปัจฉิมจิตสัตตินทรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมณินทรียก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโดมปุจฉามณินร SO e ีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดสัตตินรีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิตติชนาในอุปาทขศนาแห่งปัจฉิมจิตมณินทรียของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่สัตทินรียไม่ใช่ไม่กำลังเกิด ในพังคข้าณาแห่งปัฏิมจิตมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและสัตทินทรียก็ไม่ใช่กำลังเกิดสัตทินตรียามูลกันในจบปัญญตรียามูลกัในสย393อนุโลมปุชชาปัญญรียของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดมนินทรียของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมพิจาชนาในพังคขคณาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมด ในอุปาทัคณะแห่งจิตที่วิปยุตจากยานบุคคลผู้เข้าในโรสจมาบัตและบุคคลผู้บัตอยู่ในอาศัญยัสตพูมิปัญญินทรียของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มนินทรียไม่ใช่จกไม่เกิดในพังคัณะแห่งปัฏิมจิตปัญญินทรียของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมนินทรียก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจชามนินทรียของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิด ปัญญินทรีของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทัศนาแห่งปฏิมจิตมนินทรียของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ปัญญินทรีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดในพังค์ทันาแห่งปฏิมจิตมนินทรียของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและปัญญินทรียก็ไม่ใช่กําลังเกิดปัญญตรียมูลกนยัยจบ